นใมหลบามกดความหลงอยู Lions, day, day, about, gene, ่เหนืหลกลงได้นี่ไปประการนิยบัตอะไรเจังเป็นประดปยางพอสุสบายหลงใจทำไมพจารก็ใจายก็ดี อริยสาวกทุกองค์ดีในท่ยนี้ในประการนิยบัตจิตใจของท่านปฏิบัติได้กูเห็นในในคำชัดเจนนะกสุดสบายในบุ่นหวายุ่เกี่ยวกจงตัวเองปลอดสบายใจดีไหนก่อน อารมเย็นจะโลเป็นสุขะโตไม่จิตสงสัยมรดิสุขมีการจะข่าจะแย้งจะรักจะขี่ต่อโกงกันอะไรตามมรดิสุททางใจ นอกถึงจะรู้มากขนาดไหนใจก็ไม่สงบไม่สบายให้ความหลงของใจก็ยิ่งหลงเรื่อยไปวบเข้ามาภายในกลับเข้ามาภายในใจสงบใจเย็นใจเห็นใจรู้ในสิ่งที่มีอยู่ในโลกแล้วก็หายความสงสัยไม่มีอะไรที่จะรบกวนเพราะรู้เข้าใจ ในสิ่งต่างๆตามเป็นจริงสิ่งที่ควรแก้ไขคี่เป็นชีวิเป็นภัยแก่กาแก่ใจก็แก้ไขไปสิ่งที่เป็นคุณ เ, เ, เป็นประโยชน์ก็สะสมเ อ, มอาไว้นี่คือกา ร, กรปฏิบัติทางศาสนารักษาตัวของตัวด้วยสติด้วยปัญญา ไม่มีสิ่งอื่นที่จะเป็นเครื่อง ร, รักษาที่ดีวิเศษเท่ากับสติปัญญาคือที่มีสติมีปัญญารักษาจิตของตัวอยู่จินต์วิเลศมันกลัวมั่นในป้าที่จะเข้าม า, าเพราะเรื่องของจิตฐานุจิใจในอดในธรรมเรื่องของโลกมันก็หมดไป จิตเรื 6, t t án, Nós, anız, <tal tal un, ่องทั้งโลกเรื่องของธรรมมันจบหมดไปจิตดวงเดียวเมื่อไปสถานที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งก็ว่าไปสถานที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งก็ว่ามันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันกับตัวอีกตัวเดียวนั่งในคนเดียวเมื่อคนหนึ่งคือจะนั่งคนที่สองก็จะต้องรออยู่พอคนนี้ออกนี้คนนั่ง มันถึงจะหนังได้เพราะเกาอีเฉพาะคนคนเดียวนั้นมีจิตใจของพวกเราแข็งกระทำนองเดียวกันถ้ามันมีอาจมีธรรมเรื่องของกิเลสปัญหามันก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะมากเกาะเกี่ยวถ้ามันมีกิเลสปัญหานะเนี่ยเรื่องของธรรมมันก็เข้าไปไม่ได้อีกเหมือนกันฉะนั้นเรื่องสติเรื่องปัญญาจึงเป็นเรื่องสําคัญ เพราะว่า้ใตเ่าหรืยครูอาจารย์เน้นหนักจะต้องให้เราฝึกให้รู้ให้จิตมีปติอยู่กับตัวคือจิตปรุงอะไรขึ้นในระยะใดเวลาใ ด, ใะะใดก็ให้ทราบทุกขณะทุกระยะจิตปรุงของจิตของใจยวมีปัญญาสอบสวนดูว่าการจิตปรุงนั้นมันให้โทษให้คุณอย่างไรจิตไปมาก มันจะเป็นเรื่องสะสมกิเลสมากาขึ้นโดยคิดตัวมากมันจะทำลายกิเลสให้ลุดล่วงออกไปนี่เป็นหน้าที่ของผู้ประฏิบัติจะต้องพิมีพุเตนะดูจิตใจของตัวในอย่างนั้นเพียงแะเข้ามาในวัดอยู่ในที่วิเวกส ง, งัดางันแต่ไม่ตั้งหน้าปฏิบัติดูจิต ด, ดูใจของตัวว่ามันชั่ว มันดีอย่างไรจะไปสถานที่ใดอยู่สถานที่ใดมันก็ไม่เกิดสาระประโยชน์ให้พอใจมันท่องเก่ยวเก่งในต่องหายานพาหนะจะรวดดาวเคียมที่ไหนมันไปได้ทุกแหน่ทุกมุมทุกหนทุกแห่งเร็วเทียด้วยไม่มีอะไรจะเรเท่ากับเรื่องของจิตในละเอียดในกลัวอะไรมันไปได้อย่างสะดวกสบายของมันการนึกจิต แต่นม้เหนื่นอยเรามีสติอยู่ในตัวมันคิดมันปึงชั่วดีเราซาาจากความคิดความปรุงของเราถ้ามันชั่วก็รีบกำจัดปัดเป่าออกไปตับจิตใหม่ตั้งใจอยู่ในอัตในธรรมจิตเห น, นื่อมีอัตมีธรรมเป็นเครื่งปรยรักษาจิตจะเยียเยนเห็นรู้เิ่งต่างๆนานา ตามเป็นเียงของมันถ้าจิตไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่สงบวุ่นวุ่นอยู่ตลอดวันตลอดเวลาย่อมจะหลับสนิทพอตื่นมาก็คิดก็ปรุงทั้งช่างที่กายไม่ได้ไปทำการงานหน้าที่อะไรแต่ใจมันก็ปรุงก็คิดจิตแบบนั้นคิดไม่มีกําลังแล้วหอบหิวหากหามย่งทุกโทวมาใส่ตัว พาจิตไปมากก็เหนด เ, เหนื่อยเหนื่อยหิวนอกจากนั้นก็ยังนำอารมณ์ทัญญยาที่เป็นภัยอันตรายมาแก่ตัวของตัวแต่นั้นท่านจึงให้สังวรให้รักษาจิตของตัวจิตมันจะคิดไปทางออกของมันก็ไม่มีที่อื่นโดยส่วนใหญ่อดีตจิ่ผ่านมา ก็ดีปัจจุบันก็ดีหรืออนาคตกด็ดีโดยส่วนใหญ่มันออกไปทวารจากทวารทั้งหกทวารทั้งหกก็คือตาเมื่อตาเห็นก็เกิดชอบพอหรือเหยียดชงังขึ้นตามเรื่องที่เราคิดเราฟุงเราติดเราคล้องเราเชื่อเรื่องของตา ่มันเห็นสิ่งนั้นน่าอยากได้น่าพอใจน่ากำนัดน่ายินดีต่างๆน่นาเรื่องของตาที่ไปเห็นเป็นภัยสำคัญอันหนึ่งแล้วทำให้จิตคิดอยู่เรื่อยๆถ้าหากเป็นสิ่งที่มันชอบมันยินดีมันคิดเรื่อยมันก็มีกำลังมากขึ้นผลที่สุดก็มีความอยากมากขึ้น จนอดไม่ได้ทนไม่ไหวถ้าไม่ได้อย่างใจจะไม่ยอมผลที่สุดถ้าไม่ได้มาในทางความบริสุทธิ์ก็จะต้องรักต้องขโมยต้องส่อต้องโก ง, งต้องแย่งต้องจิงก็ออกมันเป็นแบบนั้นตาที่ไปเห็นสิ่งที่มันชอบมันก็เลยก่อทุกข์ก่อโทษแหกแกตัวแทนที่จะอยู่เฉยสบายธรรมดา มันในอยู่มันไปเกาะไปติดไปคิดไปปรุงในเรื่องที่มันเห็นสิ่งที่มันต้องการสิ่งที่มันอยากได้ถ้าหาเป็นรูปตรงกันข้ามมันเกาะไปหมันไปไม้อย่างใหญ่อย่างโตขึ้นจนจิตไม่มีโอกาสเวลาที่จะวกมาหาธรรมะได้ถ้าหากผู้ที่มีธรรมะมีสติมีปัญญาสอนตัว รูปนั้นก่อนที่เราไม่ยังไม่เห็นมันมีหรือไม่ถ้ามันไม่มีเพ่มีขึ้นระยะนั้นมันก็เป็นอันหนึ่งนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเกิดมาก่อนที่เราเห็นแต่ทำไมาไปเห็นเขา่าจึงไปจับไปจอ่อไปยึดไปถือไปหมั่นไปหมายอยากได้เดือดร้อนแผเดเผาจิตใจของเรา <c oughs> ความคิดความปรุงแบบนี้ มันไม่ใช่ทางดีทางวิเศษสัตว์ทั่วไปมันก็คิดได้ไม่ใช่นาทีของผู้มีศีลมีธรรมไม่ใช่นาทีของผู้ประพฤติปฏิบัติจะไปคิดไปปรุงไปก้กอะไปเกี่ยวอย่างนั้นถ้าเรามีปัญญาสามารถปราบตามหักห้ามจิตใจของเราเนี่ยสอนจิตใจของเราได้มันก็ปล่อยวางพ่องมันพักรูปนั้นเราไม่เห็นมันก็มีอยู่เราเห็นมันก็มีอยู่ เราอยากได้ก็เป็นเรื่องเกิดทุกข์เกิดโทษแก่ตัวของเราเราไม่อยากได้รูปนั้นมันก็ไม่เสียหายไปที่ไหนมันทราบตามความเป็นจริงใจมันก็ปล่อยวางสบายรูปกายของเรามันเนา่ามันเน้นรูปกายของเรามันทุกข์มันลําบากอย่างไรรูปอื่นที่เราไปชอบไปติดไปคิดไปปรุงมันก็เหมือนกันมันไม่มีอะไร ที่ผิดแปกแตกต่างกันเราจะต้องนำมาทีนิ้ทีเจนะเพื่อละถอนความจิตของคลองใจด้วยสติด้วยปัญญานี่คือตาเห็นรูปที่เป็นอิทธารมคือรูปที่ต้องการรูปที่ปาา่าถนาสรูปเป็นอนิธารมครุปไม่ดีใหม่สวยใหม่งามก็ไปรังเกียดรูปนั้นเข้าถ้าหากรูปนั้นแสดงอากัศจิตาถาที ไม่ดีแกเราเราก็จะไปเกิดโทษะเกลียดแค้นอยากจะประหัตประหารสร้างกรรมทาเวรขึ้นเป็นพยาบาทในรูปนั้นไม่อยากเห็นไม่อยากดูอยากทําลายนี่ก็เป็นทางเสียหายทางผิดอีกเหมือนกันเพราะจิตของเราไม่มีทํา คือสติไม่ทันสัญญาไม่พอจิตใจจึงแลบออกไปสู่อารมณ์แบบนั้นแล้วก็มาแผบเผาจิตใจของเราใ น, ในใจคนอื่นเพราจะเดือดร้อนคนอื่นเป็นเรื่องคนอื่นเขาแต่เรื่องตัวของเรานี้มันเผาก่อนรักก็เป็นไฟราทะกินาเหยียดช่างก่อเป็นไฟโทสัชินา เกิดมาจากความหลงคือโมหกชินาหลงในรู้แจ้ง่เข้อใจจริงในสิ่งหนนั้นมันจึงเกิดรักเกิดชังขึ้นผู้ประปฏิบัติจะต้องดูภายในคือจิตใจของตัวเองถ้ามันไปโดนสองฝั่งคือรักชังอยู่จิตใจไม่มีโอกาสเวลาจะเห็นธรรมะจะสงบ สงจะเย็นจะสบายได้ถ้าหากเรามีสติปัญญาเนี่ยสอนหักห้ามไม่ให้จิตของเราปรุงคิดไป ใ, ในแง่ต่างๆให้จิตอยู่ภายในคือพิจารณาอัตธรรมเพื่อจะสอนจิตให้รู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งต่างๆไม่ว่ารูปว่าเสียงว่ากลิ่นว่ารส สิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่กับโลกเราเกิดมาในโลกเราจะต้องเห็นจะต้องได้ยินจะต้องได้กินจะต้องยืมรถหรือสัมผัสในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นธรรมดาแต่สิ่งเหล่านี้ให้ถือว่ามันเป็นสมบัติของโลกไม่มีบุคคลผู้ใดในโลกที่จะหอบเห้วหับหามไปได้ถึงอยากได้สแสวงหา มาขนาดไหนเหนื่อยเวลาเข้าไปเขาก็ไปเฉพาะจิตของเขากายของเขาจิตเขาถือว่าเป็นของรักของชอบเขาก็ยังเอาไปไม่ได้ของอื่นไกลออกไปจากกายใครเล่าจะมีอำนาจบาสนาแบกหามไปได้ไม่มีใครในโลกจะแบกโลกไปได้จะเอาของโลกไปได้เรื่องของกายก็เป็นเรื่องของโลกอันหนึ่ง เป็นถัด4สี่คือดินน้ำลมไฟสิ่งเหล่านี้ก็เอาไปไม่ได้อีกเหมือนกันมันจะต้องอยู่ในโลกถ้าหากคนเอาไปได้พวกเราเกิดมาก็ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเวาคนตายไปนับแสนนับล้านไม่ได้จิตก็าตายกันไปเขาเคยมาจับจองหวงแหนสถานที่ต่างๆอย่างฝุดลงไปในดินลึกตั้งเม็ดสองเม็ดไปเจอกระดูกอยู่ ก็มีบางที ah e ่บางแห่งก็แสดงว่าเขาเคยเป็นเจ้าของพื้นแผ่นดินนี้มาก่อนเราแต่เขาก็ทับถมจมอยู่ในดินไม่มีอะไรที่เขาจะเอาไปได้เราก็ทํานองเดียวกันถ้าไปหลงไหลไฝฝันบาบบตามเรื่องของกิเลสตัณหาก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะสงบระงับได้เราต้องสอนใจของเราที่จะนาใจของเราคนที่สอนใจของตัว ที่เจนาใจข้องตัวละชั่วบมเพ็ญดีภายในกายวายายใจอยู่สม่ำเสมอคนนั้นแหละถึงจะไม่ร่ำรวยเข้าค้างเงินทองก่อตามท่านก็เป็นสุขท่านก็สบายไม่มีอะไรมารบกวนหุ่นวายอยู่เพียงอาศัยโลกไปเพียงวันวันตายไปเหมืออะไรก็ไม่มีการเสียใจวลาเรายังไม่ ชำระสาสางจิตใจของเราให้สะอาดเพราะจิตทาสะอาดทุ้นที่แล้วมันไม่มีอะไรกังวลยิ่งเป็นทุกข์เช่นอีกทันจริงว่าพาลาหาเวปันจากขันธาขันทั้ทงห้าเป็นพาละนะขันทั้งห้าก็เดารู้แก่รู้เวทนาสัญญาสังขารนิญญยานซึ่งพวกเราท่านมีกันทุกคนแต่เราก็มานิยมชมชอบกับขันทั้งห้านี้ดีวิเศษ อยากได้ไฟฝันหลงมัวเมากันแต่ผู้ที่ท่านสิ้นจิเลตไปแล้วท่านว่าขันทั้งห้าเป็นภาระหนักท่านอยู่ในโลกโดยความจำเป็นของท่านเหมือน ก, นกันกับคนติดตารางออกได้เมื่อใดจะสบายกายสบายใจเหมือนนั้นเพราะอยู่ในตารางต้องมีผู้บังคับบัญชาไม่มีอิสระ นี่เราอยู่ในโลกในจิเลตัญหาในรูปในเสียงในถาดในขันก็ทานองเดียวกันแต่พวกเราท่านจิตมันหยาบมันไม่เป็นอาจเป็นธรรมมันจับมันจองสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เรื่อยเื่อมันก็เลยเนี่ยถือว่าขันทั้งหาเป็นภาระหนักอะไรไม่อยากไปโลกอื่นเพราะความจิตขล้องถือว่าโลกอันนี้มีความสุขความสบาย มันเป็นการมาตัณหาภาวะตัณหาเมื่อเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนไม่สบายกายไม่สบายใจขึ้นวุ่นวี่วุ่นวายกายเกิดโรคภัยรักษาที่ไหนไม่หายจะยืนจะเดินจะนัง่งจะนอนจะกินจะดื่มลำบากถึงสิ่งของมีมากมันก็เอาไม่ได้ทานไม่ได้บ้านจะใหญ่จะโตขนาดไหนบริษัทบริวาร จะมากนายกายกองขนาดไหนก็ตามเขื่อนพ่อง <c oughs> บริบาลก็ช่วยไม่ได้ทุกกว่าทุกดูแต่เฉพาะตัวเราเขามาดูก็เพียงมาดูเท่านั้นมียุกมยามาให้ถ้าเราทานไม่ได้กินไม่ได้มั่นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราจะเอาที่ไหนความสุขถ้าใจเป็นทุกข์ไม่มี ที่จะสุขจะสบายให้เข้าของเงินทองมันไม่ได้เป็นทุกเป็นสุขกับใครวัตถุทั่วไปมันเป็นอย่างนั้นมันในหลงไหลใฝ่ฝันบ่ามันเป็นของคนนั้นมันเป็นของคนนี้แต่ความยึดถือของจิตของใจมันยึดถือมันสําคัญหมันหมายเอาจิงจริงจังๆในเรื่องวัตถุข้างนอกจิตของเรามากอยากจะเกาะจะอาศัย เกลียใดมันจริงเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่มีอัตมีธรรมที่จะเกาะอาศัยมันจึงไปเกาะเรื่องนอกเรื่องที่ไม่ยีลังอย่างยืนเรื่องที่ไม่เป็นสาระแก่สารอะไรให้มันน่าอยากจะเป็นไปในทํานองนั้นผู้จิตสมร่าสารสังจิตใจของตัวทำภาวนาละจิเลสจิตจิเกยฟุ่งฟุงคิดนึกในอารมณ์ต่างๆภายนอกเข้า มารวมอยู่ในจิตในใจเกิดเป็นฟืนเป็นไฟใหม่เผาเราสำละมันไฟเวลาเราทาเราจะขับไล่อารมณ์สัญญ้นยาต่า ง, างๆนานาไม่ให้เข้ามายึงเกี่ยวกับหน้าขี่ของเราเราจะกำหนดลมหายใจก็กกำหนดอยู่นั้นอารมณ์อื่นจะเป็นหมืน่นเป็นแสนผ่านมาไม่ต้องไปเกี่ยวข้องจะกำหนดบนพุโทโธก็เหมือนกันให้พุโทโธเป็นจิตให้จิตเป็นพุโทโธอยู่นั้นจนจิต ของเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นอารมณ์อื่นมันก็สงบลงรวมได้เหมือมันลงรวมถึงที่ของมันก็เกิดอัศจรรย์กายมันเบาจิตมันเบาไม่มีอะไรที่จะไปเกาะไปอาศัยจะนั่งอยู่จีวันกี่คืนก็ได้ความเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวจะไม่ตา ก, กดเพราะจิตรวม ลงถึงที่ไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมีแต่ความเบาความสบายความเฉยเป็นเอากรคาตาลมสติรู้ว่าจิตของเราเป็นอย่างนั้นนี่เกิดจากอะไรเกิดจากการตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่ใช่มันเกิดมาลอยๆเราตั้งหน้าตั้งตากาหนดลมหายใจแล้วตั้งหนา้ า, าตั้งตากาหนดบทพูดโทรเอาใจใส่ จะจอจริงจังมันจริงเป็นอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้มันเห็นอย่างนี้ความสุขความสบายปีติเอิบอิ่มเมืเม่อมันถอดถอนออกมามันจะทราบในจิตของตัวว่าจิตนี้มีความสุขความสบายมากไม่มีอะไรที่จะเหนือกว่าจิตที่รวมรวมระงับกิเลสไปความสุขอันอื่น ที่เราเคยเห็นเคยเป็นสิโลของเขาร่มหลงจิตข้องทุกคนโดยส่วนใหญ่เคยผ่านมาสุขด้วยกิเลสสุขด้วยปัญหาสุขด้วยความหลงของจิตของใจในส่วนความสุขจิตปลาสจากอานิสความสุขที่ประเสริฐวิเศษความสุขที่ละเอียดปราณิเหมือนความสุขของธรรม เราเห็นเราเป็นแล้วเราก็เชื่อมัน่นอยากประพัติปฏิบัติอยากเห็นอยากเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยไปการเห็นการเป็นแบบนั้นอาศัยการตั้งหนา้าตั้งตากาะทาบาเพ็ญ น, นี้ใช่ว่ามันเกิดมันเป็นเพราะความคิดมากปรุงมากเมื่อมันสงบได้ลงรวมได้จิตลงพึ้นฐานเป็นสมาธิ ถอนขึ้นมาจะพิจารณาคิดอ่านอะไรจะเป็นเรื่องของโลกก็ดีเรื่องของธรรมก็ดีมันก็มีปัญญาที่จะแก้ไขมีปัญญาที่จะทราบส่วนสายปลายเหตุของมันอย่างจริงจังได้ถ้าจริงให้ฝึกเรื่องของจิตจิตเป็นเรื่องสําคัญยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอันในโลกการฝึกจิตนี่จะว่าจะฝึก ง, ง่ายง่ายจสะดวกสบาย ทุกไลายไฟการฝึกจิตโวยใจในสมัยพุทธกาลท่านหาสถานที่ที่ใดวิเวกวางเวงไม่มีผู้คนตัรบกวนเกี่ยวข้องไม่มีเสียงไปก่อกวนจิตใจโอกาสเวลาที่จะกำหนดจิตใจมีมากเราตั้งนาตั้งตาไปศึกษา ไปภาวนาไปกระทำในสถานที่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้ตัดสู้ในปราสาทราชวังตัดสู้ในป่าก็เป็นเรื่องที่ท่านสอนพวกเราที่มือหนาตามืดประสูตนกว่าในป่าตัดสู้แสดงธรรมเทศนากาในป่าปริญญิพานกว่าในป่าแสดงว่าป่านั้นเป็นมหาวิทยาลัยสําคัญ ที่ผู้มุ่งมั่นในการปฏริบัติจะต้องสแสวงหาจะต้องอยู่จะต้องอาศัยที่ใดวุ่นวายขัดข้องถึงเข้าของเองินทองลาภสกสาะจะมากมายขนาดไหนแต่เรื่องของจิตใจจะทำบำเทาเพ็ญยากท่านให้ปีให้หนีจากสถานที่อย่างนั้นท่านถือเรื่องจิตใจเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าเรื่องของกายท่าปฏิบัติ จิตใจเป็นไปจิตใจมีอัตมีธรรมวันนี้เกิดความรู้อย่างนั้นมันนั้นเกิดความอัศจรรย์อย่างนี้เห็นเป็นในจิตในใจเรื่องที่อยู่ที่อาศัยอาหารการขบฉันไม่เป็นเรื่องสําคัญอะไรเพียงแต่ฉันไปเพราประทางชีวิตที่อยู่ที่อาศัยจะอยู่ร่มไม้ในถ้ำในเหวที่ไหนมันก็สุขก็สบายเพราะใจมันสบายใจไม่วุ่นวายใจไม่ก่อกวนตัวเอง นี่คืออันนี้สองที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นต้องเห็นต้องรู้จากตัวเองไม่ใช่คนอื่นจะบอกว่าจิตสงบมันเป็นอย่างนั้นบอกเท่าไรถ้าหากเราไม่เป็นไม่เห็นในจิตในใจมันก็ไม่เกิดสาระปร ะ, ะโยชน์ให้และไม่เข้าใจว่าความสงบของจิตนั้นเกิดความสุขความอาศัศจรรย์อย่างไรเหมือน ก, นกันกับคนตาบอดมาแต่เสมอจะบอกแสงสีให้มันดูเท่าไร อธิบายเกณฑขนาดไหนมันก็ไม่ทราบได้พะแสงสีนั้นจะต้องอาศัยคนที่มีตาถ้าบอกว่านี่สีขาวสีเขียวสีดําสีแดงไม่ต้องอธิบายอะไรคนที่มีตามันก็ทราบได้ถ้าคนไม่มีตาคนตาบอดมาแต่กระมิดจะอธิบายอย่างไรมันก็ซุ่มเดาเอาว่าสีแดงมันเป็นอย่างนั้นสีขาวมันเป็นอย่างนี้เมื่อเอาสีนั้นมาให้มันดูจริงๆมันก็ไม่รู้เพราะตามันดูไม่เห็น มีการกระทําบําเพ็ญภาวนาภายในก็เหมือนกันกับเรารักษาตาที่เคยเสียมาก่อนให้เกิดสว่างสวัยขึ้นมองเห็นโลกทั่วถึงอันนั้นเป็นอันนัน้นอันนี้เป็นอันนี้สหาบดีใมนนี้ข้อสงสัยนี่คือใจที่สงบเป็นสมาธินาทีที่เจรนาด้านปัญญาอิปัจนาอาจสามาก ทราบได้ในสิ่งต่างๆที่โลกของเขาหลุมหลงเพิดเพลินเหือห่อเฮอมกันว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสาระหรือไม่คนที่หลงเขามีความสุขความสบายในจิตในใจเพียงพอไหมท่านจะทราบถ้าเขาเห็นเขาเปลีย่ยนากเราเขาจะหลงไหลฝ่ฝันในเรื่องเหล่านั้นหรือไม่ท่านทราบอีกเหมือนกันจึงมมีอะไรที่จะสงสัย ในเรื่องของท่านท่านจะอยู่ที่ไหนตายที่ไหนด้วยอำนาจใจบริสุทธิ์ท่านก่ น, นิบพานจะอยู่ในปราสาลสาาว่างมีมหลักษครบงานสบเมนสวยงามขนาดไหนถ้าจิตใจไม่เป็นอักเป็นทําให้มันก็หีผบผีศพผีดีจะข้างนอกดูข้างในมันก็เน่าเฟะมันเป็นอย่างนั้น นี่เราอย่าไปลุ่มหลงลื ม, ล, ม, ล, มลาภสักกา ะ, ะกันให้ตังหาตัณ迦กำหนดรักษาจิตใจของตนให้สงบให้ละถอนกิเละเมื่อเรารักษาทำปฏิบัตรริทำทำจะกลับมารักษาเราอย่าไปคิดว่าอยู่ในป่าในเขาจะอดยากยากจนก็อยู่สถานที่ใดจะไม่มีคนเอาใจใส่ดูแลอย่าไปคิดอย่างนั้น ถ้าคนมีอัจมีธรรมในจิตในใจจะต้องหักห้ามพอจิตคิดปรุงไปในแบบนั้นสติปัญญาของท่านจะต้องแนะสอนนีมาหาบวชฮัชชี่หรือมาบวชห้าอับห้าธรรมเยอะวกไปนั้นเยอะวกไปนี้ถ้าขี้ไม่เต็มก็เพอเต็มท้องเต็มพุงเหะไปกันใหญ่เลยปฏิบัติหาความสงบสงัดวิเวกไม่ได้ คนที่มีอาจมีทำท่านเอาอาจเอาทำเป็นอาหารอาจทำนั้นเป็นอาหารสำคัญร่างกายพออยู่ได้อยู่ไปแต่ใจมันสะดวกสบายอยู่ประพฤติปฏิบัติรีบเล่งกวนคลายกระทำบาเพ็ญให้ใจิตใจมันเห็นมันรู้มันเย็นมันสงบนี่เป็นความต้องการของพระพุทธเจ้าทีนี้สอนสาวกถั่วไปสาวก คือต่ดตั้งใจเพื่อปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นเมื่อจิตใจของท่านเห็นอาดเห็นทำแล้วถึงท่านเคยเป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีมาก่อนท่านก็ไปห่วงใยอะไรสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขสนโลกเพราะทำมเัเหนือโลกท่านเห็นท่านเจนอยู่อย่างนั้นนี่พวกเราท่านไม่เห็นไม่เจนอย่างนั้นมันจึงแสสายจึงไม่สุขไม่สบาย ท, ทั้งทั้งทีกายเ น, นี่ยมีโรคใครอะไรแต่ใจมันโรคมากคือโรคกิเลสตัณหารบกวนอยู่ทุกวันทุกเวลาเราจะชำระเมื่ อ, อไรก่อนชำระเมื่อมันยังมีอยู่มันยังเป็นอยู่นี่แหละเมื่อมันสงบไปแล้วจะชำระมันทําไมเรากินเราทานก็เมื่อเวลาถัดขันของเราเหิวถ้าถัดขันอิ่มแล้วอาหาร มันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกายของเราอบอุ่นแล้วเสื้อผ้าเสื้อหนุ่งหม่มต่างๆ น, า น, านาั้นนะเฟืองไฟที่จะเอามาถ <c oughs> ิงมันก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องเพราะมันอบอุ่นอยู่แล้วถ้ามันหนาวมาแล้วเสื้อผ้ามันเป็นเรื่องสําคัญที่จะแสแวงหามาหนุ่งหม่มปกปิดให้มันอบอุ่นขึ้นความเดือดร้อนของใจก็เหมือ น, นไฟมันเผาอยู่ทุก การทุกสมัยทุกวันทุกเวลาเราจะระ ง, งับดับได้ก็เพราะอาศัยอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนขันติแต่ใช่ก็เมื่อเวลาสิ่งที่เราไม่ต้องการปรารถนามันเกิดขึ้นเราจะต้องอดต้องทนต้องต่อสู้ไม่ถอยหลังวิริยะภาพเพียน ก็เมื่อมันไม่สะดวกไม่สบายจิตมันยังไม่เป็นไปในอจในธรรมเราจึงใช้ความพยายามผากเพี้ยนทมเหล่านี้มีสำหรับแกไขจิเหลีมีสาหรับแกไขจิตใจของคนที่ยังไม่ถึงความบริสุทธิ์คนที่ถึงความบริสุทธิ์แล้วไม่จำเป็นอะไรในอจในธรรมเหล่านี้เพราะท่านบริสุทธิ์แล้วท่านมีหน้านะที่รักษา ดูแลของฉันเองจะว่ารักษาก็ไม่ใช่ไม่รักษาไม่ใส่บา่าแส่บอรหรือฉันก็ไม่เต้นบา้าเป้นบ่อรักษาก็คือยังมีโทษมีทุกข์อยู่จึงรักษาจิตจิตพ้นไปจากกิเลสตัณหาพ้นไปจากโลกนั้นคนจี่เป็นที่เห็นที่รู้จะต้องทราบเพราะเป็นปัจจัยตังเป็นสันทิทธิโกในจิตของตัวเองเรื่องมาพูดออกมาเป็น ปริยัติมาพูดออกมาเป็นบัญญตัติมาเป็นสมมติมันพูดไม่ค่อยถูกเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเหนือสิ่งสมมติทั่วไปที่จะพูดได้ถึงพูดได้ผู้ไม่เห็นไม่เป็นมันก็ไม่เข้าใจอย่างพูดวิลาคะเป็นอย่างไรความสิ้นกำนังนิโลทะความดับสนิท ขอเกลียดปัญหาเป็นอย่างไรคนที่ไม่เป็นไม่เห็นจะเรียนมาสอบได้มีประกาศนิยบัติมากมายขนาดไหนใจไม่เห็นไม่เป็นก็ไม่ทราบอยู่นั้นเองหลงอยู่นั้นเองไม่เข้าใจถ้ามันเห็นมันเป็นในจิตในใจมันทราบมันเข้าใจว่ามีมุตมนั้นมันเป็นอย่างไรที่ว่าเหนือโลกกายของท่านมันก็เป็นโลกอยู่ด้วยกันกับคนอื่น เราจรึงดูยากลำบากในการดูเรื่องภายในจิตใจของคนเราบางคนหน้าตาดีแต่ใจไม่ดีอย่างเขาว่า <c oughs> หน้าเนื้อใจเสือหน้าตาดูยิ้มแย้มแจ่มใสแต่จิตใจเผ็ดร้อนอ ม, มหิตอย่างนั้นมันก็มีแต่บางคนหน้าตาไม่ดีบวเบ้ง จิริยาและยาติไม่สวยงามแต่จิตใจของท่านบริสุทธิ์ฝุดผ่องแบบหน้าเสือใจเนื้อมันก็มีเรื่องเหล่านี้มันจะทราบจะเข้าใจกันโดยการประปฏิบัติเมื่อประปฏิบัติถึงอัจถึงทำจริงจังแล้วท่านมาได้สงสัยกันเพราะปรึกษาปารบพั่ถึงอัจถึงทำเรื่อควรละควรําเพน จนถึงจุดสุดท้ายเป็นอย่างไรท่านอธิบายท่านพูดสู่กันฟังได้ถูกต้องแม่นยาไม่จะมีสงสัยอะไรเพราะสาวกไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสันละกิเลสพร้อมทั้งวาสนาได้ทุกอย่างทุกประการไปแต่สาวกนั้นหมดไปแต่เรื่องของกิเลสเรื่องวาสนาเมตไส้ น, นั้นยังมีอยู่แต่ พวกเราถั่วไปมากอยากถือว่านิสัยของผมเป็นแบบนี้แต่นิสัยที่ยังมีกิเลสอยู่ไม่ใช่นิสัยจริงจังจะต้องสำลระต้องสะสารต้องประพฤติปฏิบัติฝึกหัดให้บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์แล้ว <c oughs> เป็นนิสัยจริงจังนิสัยอย่างไรเป็นอย่างนั้นละไม่ได้แต่พวกเราทั้งหลายมันเกลียวสนอยู่กับกิเลสจึงควรสําระสะสารจิตใจของตัว แต่หวะนิสัยของผมมันชอบนอนนิสัยของผมมันชอบกินนิสัยของผมมันชอบคุยกว่าจิเลศเป็นผู้นาพาเป็นศาสดากล้องใจถ้าใจหมดจิเลศแล้วจวังหวนิสัยมันไม่ผิดอะไรนี่เรายังมีจิเลศอยู่จะไปเชื่อจริงต้องทังวรระ ว, วังรักษาจะทําอย่างไรจริตจึงจะเป็นไปสกิด ค, ความก้าวหนะ้า สงบทุกการทุกเวลาไม่มีปัญหาที่จะมาก่อกวนจิตใจมีปัญหาอะไรใข่คิดคิดนิธิจะได้นาปัญหานั้นนั้นจะแจ้งประจั์ในจิตในใจปัญหาที่เราละขาดเข้าใจในตัวคล้องตัวถึงที่สุดแล้วมันไม่เกิดมาอีกปัญหาอันนั้นเพราะละมันขาดตัดมันขาดไปแล้ว เหมือนตัดคอคนขาดแต่เอาศี่ษะเอาหัวมาต่ออีกมันก็เป็นคนไปไม่ได้มันต ร, ตรงตายอยู่วันยังคำนี่การละกิเลสการตัดตัญหาด้วยวิปัสสนาญาณที่นักต่เพื่ปฏิบัติประเพื่ปฏิบัติกันก็ททำนองนั้นตาก่อเห็นหูก่อได้ยินเขาพูดอะไรก็พูดไปตามเขาแต่ใจของท่านไม่ลหลงไหลฝ่ฝันไม่ติดข้อง มันเป็นเรื่องสำคัญที่จะเห็นจะเข้าใจในตัวของตัวไม่อย่างนั้นก็ไม่มีวันที่จะหายสงสัยฉะ่นั้นนักบวชทุกคนที่บวชมา้ามุ่งมั่นจะหนีจากโลกจริงจังก็ต้องตั้งหน้าตั้งตารักษาภาวานาจะทำบาเพ็ญเอาจริงเอาจังมันจะ ทุกจะทุกขนาดไหนก็จะไม่ยอมอยู่โลกอันนี้ไม่ยอมเกิดอีกตายอีกจะให้ถึงวิมุตที่สุดของธรรมจริงจังมุ่งมัน่นเร่งความผากความเพียนเข้าไปเมื่อเราตั้งนาตั้งตาประพฤติธปฏิบัตริรักษากายวาจายใจองตัวละชั่วบาเพ็ญดีอยู่อย่างนั้นความเป็นความเห็นความรู้ในอดในธรรมจะค่อยเจริญงอกงามขึ้นทุกการทุกเวลา ความสงสัยจิตของในจิตในใจจะนับวันหมดไปหายไปใจจะถึงความบริ ส, สุทธิ์ไม่มีอะไรที่จะสงสัยธรรมะที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าอากาลิโกไม่มีการความบริ ส, สุทธิ์นั้นไม่มีการมีสมัยเราจะทราบได้ในจิตในใจของเราแตะนั้นขอทุกท่าน จงต่างหน้าต่างตาพากันประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอดในธรรมไม่อย่างนั้นก่อจะเป็นเปรตในเครื่องแบบมาหลอกคละวาดเขาจินเขาหนุ่มเขาห่มเขาหลับเ้านอนอยู่เรื่อยไปเราจะตอแ น, นีสอนจิตใจของเราอย่างนั้นจะพากันลงมือประพฤติปฏิบัติเมื่อทุกท่านได้จะดับธรรมะแต่หาเสียที่บายมาจงนํา ไปทีนิีิเจนะ <c oughs> ต่างหน้าต่างตางประพฤติปฏิบัตริรักษากายวาจาใจของตนต่อแต่นั้นไปก็จะมีความสุขกายสุขใจการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเก่เวลาเพ อ, อยุติเพียงแค่นี้เอวัง